เวลาทำอาาเราจะต้องซื่อตรงต่ออาาอืมอย่างหนึ่งที่จะต้องต้องเข้าใจบางทีเราชินเนะเราชอบชินวิ่งตามคืออย่าตามเอาตามความเป็นจริงเฝ้าให้รู้เนี่ยตอนนี้ลมใช่ไหม ไอ้นี่จุดช่องที่ลมผ่านจริงๆที่เรารู้สึกได้จริงเนี่ยเรารู้สึกได้จริงบริเวณนี้จงเนี้ยให้ลมมันผ่านไปผ่านไปก็ อ, อ, อยู่ตรงนี้แหละไอ้ลมข้างในที่จะไหลออกมามันก็ผ่านนี่ลมข้างนอกที่จะไหลเข้ามามันก็ผ่านตรงนี้แล้วก็เค้าอยู่ตรงเนี้เคว้ารู้อยู่ตรงนี้ซื่อเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้ลมข้างในที่ไหลออกมามาจากไหน ที่ไหลออกไปแล้วมันไปไหนลมข้างนอกที่จะไหลเข้ามามาจากไหนลมข้างนอกที่ไหลเข้าไป้มันไปไหนไม่ต้องกังวลการกังวลต่อลมในลมนอกนั้นพระพุทธเจ้าเรียกเขาเรียกว่าอุปกิเลสของอาณา mm hmm. เพราะอะไร mm hmm. เพราะจิตมันจะไปกังวลอยู่กี่เรื่องสองเรื่องสามเรื่องไม่ไม่เป็นเอกตาได้ทีนี้เอ่อ ให้แน่วแน่อยู่กับปัจจุบันท่านกล่าวบาลีบทหนึ่งว่าอนาคเตจิตตักเนนชีวิธานชีวติชีวิตสติว่าลมที่จิตที่ยังที่กังวลไปในอนาคต มันไม่ไม่ใช่จิตที่เกิดดับไปแล้วไม่ใช่จิตที่กําลังเป็นอยู่มันเป็นจิตที่กําลังจะเป็นต้องแยกแบ่งสัดส่วนให้เป็นอตีเตจิ ต, ตะคเนชีวิทธะนชัชวตินชีวิตสติส่วนจิตที่เกิดดับไปแล้วมันเป็นจิตที่เป็นอยู่แล้ว คือจิตที่เป็นอยู่แล้วณชีวิตะเนี่ยคือว่าจิตที่เป็นอยู่แล้วกําว่าเป็นอยู่แล้วคืออะไรมันไม่มันไม่มีแล้วไงมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอดีตไงต่อขยายความว่ามันเป็นอยู่ผ่านไปแล้วณชีวิติไม่ใช่จิตที่กําลังเป็นอยู่ณชีวิตสติไม่ใช่จิตที่กําลังจะเป็นต่อไป ปัจจุบันเนจิตตะคันเณ น, นชีวิตาชีวติณชีวิตสติส่วนจิตที่กําลังเกิดขึ้นเป็นอยู่ณนะชีวิตาไม่ใช่จิตที่เป็นอยู่แล้วชีวติเป็นจิตที่กําลังเป็นอยู่ณนะชีวิตสติไม่ใช่จิตที่กําลังจะเป็นต่อไปมันต้องแยกขาดกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้ามันลกาับัเนี่ยเราเฝ้ารู้อยู่ตนี้ที่เรารู้สึกได้ตรงไหนอ่ะเฝ้ารู้ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเราทำลมของเราแรงมากไปทำให้เราอึดอัดเราก็ปรับบริหารจัดการลมของเราลงมาทำทุกอย่างที่ตัวเองทำได้เพื่อให้มันเกิดความส ป, ปายะเข้าใจไหมเฝ้าอยู่นี้เหมือนเรายืนมองลำธาร น, น้ำมันไหลไม่จาเป็นต้องหัน เมื่อคอตายเลยจ้องดูรู้นิ่งๆเราก็สามารถเห็นน้ำทั้งสายที่ไหลผ่านไปทีนี้ถ้าเราเฝ้ารู้นิ่งๆลมออกยาวเราจะรู้ไหมถ้ายาวมันก็รู้ทั้งยาวถ้าลมมันสั้นมันก็รู้ทั้งสั้นท่าเฝ้ารู้แรกเริ่มในการเฝ้ารู้พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าชานาติปชานาติ ทีครังว่าอัตรสันโตทีครั้งอัตริามีติปะชานาติใช้ศัพท์ว่าปะชานาติปะชานาติรู้ทั่วหมายความว่าแรกเริ่มต้นนั้นมันจะต้องเป็นการกาหนดรู้กาหนดรู้ทำไมจึงต้องกาหนดรู้เพราะจิตเราก่อนที่จะไปรู้ลมหายใจมันรู้เรื่องอื่นเนี่ยมันฟังเสียงอาจารย์มั่งได้ยินเสียงคนเปิดประตูมั่ง นั่งนั่งอยู่มันก็นึกไปถึงบ้านนึกถึงกุญแจนึกถึงหม้อข้าวนึกถึงใครก็ไม่รู้คือมันไปอยู่เรื่องอื่นเราจําเป็นที่จะต้องยกติดรู้อันนั้นมารู้ลมหายใจมันจึงจะต้องกําหนดรู้เข้าใจไหมเราจึงต้องกำหนดรู้รร จ, งงจึงใช้ศัพท์ว่าปชานาติพระเจ้าเลยใช้ศัพท์ว่าปัจฉานาติท่านสังเกตศัพท์ว่าปัจฉานาติพระพุทธเจ้าจะมาใช้ในการทําอานาาว่า ทีครังว่าอัตสาสมิติปัญชานาติทีครังว่าปัจสัโีคงปัตสมีติปัชานาติรัตซังว่าอัตสาสมีติปัญชานาติรัตซังว่าปัจสัสมีติปัญชานาติคือเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็กำหนดรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อเราหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อเราหายใจออกยาวเราก็หนดรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อเราหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นการรู้อย่างนี้เรียกว่ากาหนดรู้เพราะจิตถูกยกมาจากเรื่องอื่นๆเพื่อที่จะมารู้ลมหายใจทีนี้การกาหนดรู้นี้ภาชนาตีนี้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไป จนลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตรู้จิตรู้มีกำลังแล้วจิตรู้มีกำลังแล้วจิตรู้มีกำลังในการที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจแล้วเขาก็มีหน้ <mesi S 2> <lu> าที่ธรรมชาติที่ชัดเจนขึ <desp> ้นมาลมหายใจก็เป็นธรรมชาติของลมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตรู้ก็เป็นธรรมชาติของรู้ที่มีหน้าที่รู้ลมหายใจ มันก็เริ่มแยกออกมาแต่เจตนายังมีอยู่เจตนายังมีอยู่ทําไปเรื่อยๆต่อไปก็พอเเริ่มแยกออกมาพระพุทธเจ้าให้สร้างความเข้มข้นในการรู้ลมหายใจว่าสพกายะปฏิช่งเวทีอัตสิชามิติสิกขะปิไม่ใช่กําหนดรู้แล้วเข้มข้นคือว่าแทนที่จะเป็นการกําหนดรู้คือ ตั้งใจเข้าไปเพื่อการศึกษาค้นฟ้าใช่คาว่าสิกขิตไม่ใช่ประชานาติสิกขิคือว่าเอารู้นั้นเข้าไปศึกษาค้นฟ้าลมหายใจที่กำลังไหลออกศึกษาค้นฟ้าลมหายใจที่กำลังไหลเข้า พอพระเจ้าสภากายะไปสร้างเวทีอัติศิษยามีตรีกติพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้แต่ต้องหลังจากที่จิตรู้มันรู้ลมหายใจจนลมหายใจเป็นธรรมชาติของสิ่งที่ถูกรู้นั้นหมายความว่ามันเริ่มแยกกันแล้วรู้มีกําลังที่เด่นชัดขึ้นมามันจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการนั่งถ้านั่งกํำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยความรู้อยู่เนี้ย ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้อัตมาประมาณประมาณประมาณสามสี่พันนาทีถึงสี่ถึนาทีความราบเรียบกําลังของรู้ก็จะมีกําลังขึ้นมาธรรมาชาติของลมธรรมาชาติของรู้ก็จะเริ่มเริ่มเป็นธรรมชาติของตัวมันเองแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสร้างความเข้มข้นในการที่จะไปรู้รายละเอียด ในเนื้อลมหายใจตั้งแต่เนื้อต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจว่าลมนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเวลาสิกติคือการการศึกษาเข้าไปใส่ใจในเนื้อลมหายใจนั้นน่ะมันจะเกิดเป็นความรู้ตกมาที่ตัวรู้ตัวรู้จะเกิดเป็นความรู้จะเกิดเป็นความรู้นี่จะเกิดมาเป็นผลตกอยู่ที่รู้ทําให้รู้นี่มีกําลังของความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกําลังของความรู้ที่เข้มข้นขึ้นนี้แหละ มันจะส่งผลต่อคุณภาพของจิตมันเป็นอะรเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นไปตามลำดับของมันที่ถ้าเราไม่เอาไม่ทำมันยากเหเกินนะที่จะได้ใครจะมาช่วยจะถูดทูบก้าวดอกไหวกลางแจ้งได้ไหมที่ท่านทนท์่านนทอ่ะสารประภูมิได้ไหม สตรระภูมิก็ไม่ได้จอมปลวกก็ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ของเรานี่ทุกศาสนาได้หมดไม่ว่าอิสลามพระพเจ้าสอนเรื่องเหล่านี้ท่ามกลางผู้นับถือศาสนาอื่นใช่ไหมล่ะเพราะศาสนาทั้งหลา ย, ลายมันเกิดก่อนพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เทวนิยมคือศาสนาที่มีพระเจ้าทำไมก่อนมีนความเชื่อกันว่าโลกกับตาทั้งปวงมีเทวดาเป็นผู้สร้างมีเทพเจ้าเป็นผู้รักษาเราประสงที่จะเป็นถุกหรือเป็นทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่เทพระเจ้านั้นๆจะบันดาลประทานให้มันจะมีการไหว้สวดมนต์อวงสวงบวงสวงอ้อนวอนแต่ของพระพุทธเจ้าของเราที่เกิดขึ้นมาไม่ได้ไปปฏิเสธสิ่งเหล่านั้น ว่เอ้ยอย่างนั้นมันโง่ไม่มีพเจ้าแค่ค้นพบความรู้ตามธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้เมื่อน้อมเข้ามาสู่ตัวเราเองแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งนั้นจนกระทั่งเห็นผลรับผลประจากจิตเกิดความรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรไม่แท้มันก็เกิดขึ้นมาเองเพรา ะ, ะนั้นหลายลัทธิที่เป็นเจ้าเมื่อก่อนนี่มันเยอะมากนะในอินเดีย เยอะมากจนเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากศาสดาแต่ละศาสดาเจ้าลทัทธิแต่ละเจ้าลทัทธิหันมานับถือพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะมกุฏ บ, บูชาที่ผ่านมาที่ว่าหนึ่งพันสรยห้าสิบรูปมีลทัทธิหนึ่งที่บูชาไฟเป็นพวกชนินอุรุเวลกัสปะนาถิกัสปะขายากัสปะสามคนพี่น้องเป็นที่นับถือมากในนั้นเป็นจนชั้นสูงเลยขวางพระพุทธเจ้า สอนเรื่องรู้เนี่ยเห็นความจริงเป็นธรรมชาตินี่มันมันไม่เคยได้ยินน่ะว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เข้ามาศึกษากายใจคือชีวิตของตนเองจึงเกิดเป็นอนุภาพของความรู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทั้งหมดออกมาหมด จนในที่สุดพระเจ้าเทศอาทิตตปริยยสูตรเป็นพระสูตรใหญ่เป็นสูตรที่สในศาสนานี้ที่พระพุทธเจ้าจัดต่อจากธรรมจักรกับปวัตนสูตรอนัตตลกณสูตรแล้วก็อาทิตตปริยยสูตรเนี่ยเป็นสูตรใหญ่สูตรที่ ส, สแสดงไปก็เกิดเป็นพระอหัน์ขึ้นมานั่นแหละหนึ่งพัามไ ป, ป ร, รวมกับของพระสารีบุตรและพระบคกราณะอีก250ก็เป็นพันสองห้รูปมาเจอกันในวันมาฆบูชา เป็นประหาร น, น ะ, ะมันไม่มีเรื่องอะไรอื่นนะมันเป็นการดึงความเป็นจริงที่เป็นสัจจะในชีวิตออกมาให้มันเกิดความรู้จริงในความเป็นจริงเหล่านั้นมันก็จะมีความมั่นคงที่เราเรียกว่าศรัทธาแล้วมันมีความแน่วแน่ที่เรียกว่าฉันทะ คือมันมีใจลงไปในนั้นแล้วมันไม่หวั่นไหวแล้วแล้วมันมีความต่อเนื่องที่ประกอบขึ้นที่เรียกว่าวิริยะเกิดความเพียรที่แบบไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องมาบอกไม่ต้องให้ใครมาบอกอ้นั่งนิ่งๆดิอย่าลับดิยังไม่ต้องตัวความเพียร น, นี่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของศรัทธาและฉันทะแล้วมันก็จะเกิดเป็น สติความเป็นมีผู้มีสติขึ้นมามีความตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิขึ้นมาตามลำดับของความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่จิตเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติที่มันปรากฏชัดในกายใ น, ในใจนี้มันอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสงสัยเรื่องข้างนอกถนะ้าสงสัยแล้วก็สงสัยเรื่องข้างในเพราะเรื่องข้างนอกเพราะว่าความเป็นจริงนะ่ะมันจะเกิดจากข้างใน ถ้าสงสัยแล้วก็สงสัยข้างในอย่าไปสงสัยข้างนอกพระพุทธเจ้าต ร, รัสรู้ตรัสรู้ข้างในนะไม่ใช่ตรัสรู้ข้างนอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้จากการที่ทงนั่งที่ใต้ต้นประศรีหมาโพลแล้วก็มองเข้าไปข้างในกายใจนี้จนปรากฏพบความจริงต่างๆเยอะแยะมากมายท่านํามาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นความสงสัยถ้าเรามีให้มีข้างในอย่าไปมีข้างนอกไอ้สงสัยข้างนอกนี่มันตอบกันไม่หมด มันตอบกันไม่ตอบกันไม่หวาดไม่สิน้นจะมาถามเรื่องหุ้นอย่างเงี้ยใครก็ยังพอตอบได้อยู่ <c oughs> ไปถามเรื่องอรเรื่องบ้านเรื่องจองเรื่องนี่เรื่องนินเรื่องนู่นเรื่องนี้พอถามพอพระตอบไม่ได้พวกนี้ทิ้งพรหนะหมดอ่ะมันไปหาใครไปหาผู้ซึ่งไม่ต้องตอบอ่ะหาใครก็ไม่รู้แหละที่เขาบอกว่าเขารู้เรื่องเหล่านี้แต่เอาเข้าจริงๆรรู้จริงไหม ะเออรู้จริงป่ะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่เรื่องข้างนอกมันเป็นเรื่องข้างในข้างในคือกายใจเนี้ยเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาอะไรต่างๆสภาวะที่มันน่าสงสัยที่จะต้องการศึกษาเรียนรู้ก็ข้างในนี่แหละอมอพร้อมนะ <c oughs> ตอนนี้เวลาโอจะสิเวโมงแล้ว อีกยี่สิบนาทีสิเว็โมงอืมก็โดยประมาณฮนะเดี๋ยวรอฟังเสียงเขาก็แล้กกันลำดับสเต็ปสามอย่างจำไว้เลยหนึ่งนั่งคู่บาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้าพอลงมือปั๊บนี่ลงมือทำเลยแต่วันนี้จะเริ่มให้เป็นลำดับก่อนนะ แต่ต่อไปเนีเวลาเขาทำานมาที่แต่ปับ๊บให้อย่าไปลืมเด็ดขาดอันนี้เป็นเรื่องของการบริกรรมนั่งคู้บัลังถ้านั่งเก้าอีก้ก็นั่งวางเท้าให้นิ่งขไว้นิ่งวางแล้วทิ้งเลยมือก็จะเอาวางอย่างนี้ก็ได้หรือจะอไปซ้อนกันก็ได้แต่วางแล้วที่มันทิ้งได้เลยไม่อึดอัดไม่เป็นภาระวางแล้วมันทิ้งไปเล ย, เลยวางแล้วทิ้งหายก็ได้นะหายอย่างนี้ก็ได้นะวางแล้วทิ้งเลย แต่ถ้าพักหนึ่งถ้าว่าหางอย่างนี้นมันผิดธรรมชาติเดี๋ยวมันก็จะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็เป็นภาระแต่อะไรที่ว่ามันทิ้งได้จริงๆก็ทิ้งไปเลยอในนิ่งนี่เรียกว่านั่งขูบาลังต่อไปตั้งกายให้ตรงในการตั้งกายให้ตรงนี้หมายความว่าไม่ปล่อยให้ไหลมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ปล่อยให้หลังกระดูกสันหลังมันโกงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือแอนไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่า การเป็นอย่างนั้นมันแป๊บเดียวแหละถ้าเรานั่งถ้าเรานั่งให้ไหลคายไห ล, ลซ้ายมันตกอย่างเงี้ยทักปักไม่นานเดี๋ยวมันก็เมื่อยไหลขวาตกมันก็เมื่อยต้องให้เคียงเคียพอกระดูกตั้งตรงปับ๊บมันก็จะงี้การตั้งกายให้ตรงมันจะสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวก็หมายความว่าจิตเราที่มันไปเกาะไปเกี่ยวอยู่กับเรื่องอื่นๆมันจะกลับมาที่ตัวเรา กลับมาที่ตัวเองกลับมาที่กายนี้พอยืดตั้งกายตรงปับ๊บมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นนั่นอะมันพร้อมพร้อมสำหรับที่จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สามให้หลับตาและกดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าคำว่าดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าเพราะเฉพาะหน้านั้นมันมีหลายความหมายแต่ว่าความหมายหนึ่งก็คือว่าให้น้อมความรู้สึกมาไว้ที่ใบหน้าของเราเอง มันไม่มีเหตุการณ์อย่างอื่นทำความรู้สึกที่ใบหน้าของตนเองช้าๆไม่ต้องรีบร้อนหูนั้นได้ยินเสียงที่อาตมาพูดอยู่แต่ว่าความรู้สึกมันระลึกท่องอยู่ที่ใบหน้าของตนเองมันสามารถกำหนดลงไปที่ใบหน้าได้ว่าตรงหน้าผากแก้มใต้แก้มขวาจมูกปากคางคิ้ว หรือกรพิบตาเบาๆเพื่อมันเกิดความรู้สึกแล้วก็จิตก็ไประลึกอยู่บริเวณ น, นั้นอันนี้เรียกว่ารู้อยู่ที่เฉพาะหน้าไม่ต้องรีบร้อนจากนั้นก็เข้าไปสู่ช่องทางเดินของลมหายใจ ลมหายใจของเราไหลออกทางช่องจมูกไหลเข้าทั่งทางช่องจมูกเราก็เข้าไปรู้สึกดูว่าเราเฝ้ารู้สึกอยู่ที่เดียวนิ่งๆที่เรารู้สึกได้อยู่ตรงไหนเหนื อ, อริมผิปากด้านบนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในหรอกอาจจะอยู่ที่โพรงข้างนอกหรือ จงช่องดันนอกหรือดันในนิดหน่อยเอาที่เรารู้สึกได้ตรงไหนก็ปล่อยลมหายใจเข้าให้มันสุดและสร้างความรู้สึกว่าเราจะรู้สึกกับลมหายใจไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาและลองรู้สึกดูว่าเรารู้สึกได้ตรงไหนแล้วก็คว้าวดูรู้อยู่ตรงนั้นสักสองสามคู่จนมันเป็นที่รู้ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย เราก็เริ่มรู้ลมหายใจได้เลยให้เริ่มต้นรู้ลมหายใจที่ไหลออกก่อนพอลมหายใจออกสุดแล้วก็ลมหายใจเข้าก็รู้ออกอย่างไรก็รู้อย่างนั้นเข้าอย่างไรก็รู้อย่างนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็แน่วแน่ต่อการรู้ลมหายใจนั้นถ้าจิตมันหลุดออกไปสู่เรื่องใด ก, ก็ตามไม่ต้องไปใส่ใจแค่แค่ยกกลับมาก่อน ยกกลับมาเพื่อรู้ลมหายใจนั้นหลุด่ อ, อไปก็ยกกลับมาเพื่อรู้ลมหายใจนั้นหลุดออกไปก็ยกกลับมาเพื่อรู้ลมหายใจนั้นให้แน่วแน่กันอย่างนี้เรียกว่าชีวิตเราทั้งชีวิตในขณะนี้ไม่มีสิ่งใดอื่นมีแค่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้ลมหายใจเท่านั้น สิ่งอื่นในดที่เกิดขึ้นมาจิตแค่รู้สึกว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นปล่อยผ่านไปแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจจิตแค่รู้สึกขึ้นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปกลับมารู้ลมหายใจแน่วแน่ต่อลมหายใจอย่างนี้เรียกว่านี่เป็นงานหลักของชีวิตที่เกิดขึ้นที่ปรากฏที่เป็นไป จะมีสัญญาเยอะแยะมากมายที่ปรากฏคือข้อมูลต่อการมีชีวิตที่ผ่านมาในห่วงของเวลาตั้งแต่อดีตจัทธาตุจนถึงพาะเรียปจบปัจจุบันคือสิ่งที่จิตเข้าไปเรียนรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้น่ะมันตกผลึกมาเป็นกำลังของสัญญาก็อยู่ในจิตนี้ ในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจเดี๋ยวมันผุดอย่างนั้นเดี๋ยวมันผุดอย่างนี้เดี๋ยวมันหลนุดไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันหลุดไปอย่างนี้ตามอํานาจของสัญญาแต่จงรู้ว่ามันไม่ใช่งานหลักไม่ว่าสิ่งนั้นนั้นอันใดที่เกิดขึ้นเราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ใส่ใจปล่อยผ่านไปยกจิตเข้าไปหาลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้สบายสบายลมหายใจออกยาวก็รู้ยาวลมหายใจออกสั้นก็รู้สั้น ไม่ต้องไปกำหนดยาวไม่ต้องไปกำหนดสั้นรูปไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้ามาเกิดอำนาจของนิวรเช่ น, นความง่วงความเคลิ่ขึ้นก็ให้แก้ด้วยการตั้งกายให้ตรงให้ดูความง่วงก่อนถ้าสามารถเห็นความง่วง และจิตมารู้ลมได้โดยไม่อยู่ในอำนาจของความง่วงได้ก็ผ่านไปแต่ถ้าความง่วงมันเกิดแล้วมันมีกําลังมากขึ้นเราก็ตั้งกายให้ตรงอันนี้การหนึ่งประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเวทนาที่จะเกิดขึ้นจากการที่กายเราตั้งอยู่เฉยๆธาตุที่ทํางานธาตุดินธาตุน้ําลม เลือดลมที่มันโครจอรอยู่ตามปกติพอเราตั้งกายตรงๆนิ่งๆน้ำหนักของกายมันก็เกิดการกดทับขึ้นมาการเดินของเลือดการเดินของลมก็ไม่ค่อยสะดวกมันก็เกิดเป็นเวทนามันมีการติดขัดของการทำงานของธาตุและส่งผลออกมาเป็นเวทนาที่เรารู้สึกได้ว่ามันปวด มันเจ็บมันเน็บมันชามันเกรง็งเราลองแค่รู้สึกก็ไปแล้วก็แค่รู้ว่านั่นคือการแปรปรวนของธาตุที่เกิดขึ้นแต่เรารู้ลึกลงไปอย่างนี้ได้จิตมันก็จะไม่เข้าไปสวยเวทนานั้นมันก็เหมือนกับว่าเวทนาเกิดขึ้นที่กายไม่ได้เกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้าเรา ไม่ใช้ความรู้ลงไปสู่ความเป็นธาตุจิตก็จะเข้าไปเสวยเวทนานั้นพอจิตเข้าไปเสวยเวทนานั้นแม้เรามาบังคับรู้ลมมันเหมือนกับการที่เราจะต้องอดทนอดกัน้นอัดอัน้นต่อการที่จะต้องสู้กับเวทนาที่เกิดมันก็จะทำให้หนักและถ้าเป็นอย่างนั้นหนักมากข้าวมากข้าวปวดมากข้าวมากข้าวเราทนไม่ไหวเราก็ขยับ แต่ขยับกายไม่ขยับจิตขยับกายไม่ขยับจิตหมายความว่าให้จิตรู้ว่าเราขยับเพื่อให้การปวดการเวทนานั้นมันคลี่คลายเท่านั้นแต่จิตไม่ขยับจิตเกาะรู้ดูการเคลื่อนไหวของกายที่กำลังขยับแล้วก็กลับมารู้ลมอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรกายขยับแต่จิตไม่ขยับนี่เรียกว่า เรายังภาวนายังปฏิบัติอยู่เมื่อเข้าใจด้วยกันอย่างนี้แล้วก็ให้ภาวนาต่อเนื่องไปเป็นลำดับจนกว่าจะยุติลงโดยเวลาสมควรนะ ถ้ามันมีความเคลื่อ <c oughs> ความเคลื่อที่เกิดเนี่ยมันจะทำให้จิตรู้มีกำลังเบานะจิตรู้มีกำลังเบาสติมันอ่อนความเคลื่ ม, มันก็จะเกิดจิตก็จะอยู่กับลมหายใจเบากว่าแล้วก็จะไหลลงเข้าไปเพื่อสู่ความหลับ มันก็เกิดอาการง่วงอาการเคลื่อนรุนแรงขึ้นมาแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าของความตื่นตัวคือการตั้งกายให้ตรงจนจิตมันกเกิดตังความรู้ตัวปรากฏแล้วก็ค่อยค่อยรู้ลมหายใจไม่ต้องไม่ต้องกังวลทำไมมันง่วงจังไม่ต้องไปกังวลเขา แค่เรารู้ว่ามันง่วงก็ตั้งกายให้ตรงยืดตัวจนกระทั่งความง่วงนั้นจงจิตมันตื่นความง่วงมันหายไปแล้วก็น้อมจิต้าไปเพื่อรู้ลมหายใจใหม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เสียหายในการที่เราเข้าไปเพื่อเริ่มต้นการความเพียรเพื่อการกำจัดความง่วงด้วยอาศัยความรู้สึกตัวที่ปรากฏอยู่นั้นมันเป็นการสร้าง ตัดอาหารของนิวรณ์นะตัดอาหารของความห่วงแต่ถ้าเขาห่วงอยู่ไห้เราก็ปล่อยให้เขาเคลื่อนไปเรื่อยเรืรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างปล่อยก็ไปรู้ตัวก็ไปให้เขามีอานาจขึ้นไปเรื่อยเืย่ก็เท่ากับว่าเราให้อาหารกับนิวรณ์ให้เขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทีเราจะต้องอาศัย การตั้งกายให้ตรงเกิดความรู้สึกตัวจนความจนจิตมันตื่นความเคลิ้มก็หายไปแล้วเราก็เริ่มรู้ลมหายใจใหม่อันนี้เรียกว่าเราเอาอาณาเป็นหลักความห่วงที่เขาเกิดนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นนะมันก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่าไปมองว่ามันดีหรือมันเสียอย่าไปมองว่ามันเป็นโทษหรือมันเป็นภัยมองว่ามันเป็นแค่สภาวะที่มีเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้น แล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นดูให้ออกอย่าหลอกตัวเองเราดูให้ออกแต่เราไม่หลอกตัวเราเองดูให้ออกตามความเป็นจริงว่ามันเกิดอยู่มันยังอยู่มันบีบขยี้จิตเราอยู่ ตั้งกายให้ตรงเกิดความรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันก็ออกไปประมาณออกไปแล้วเราก็รู้ลมหายใจต่อนะนี่เป็นการก้าวหน้าของการทำความเพียนมันจะต้องมีสภาวะแบบนี้ปรากฏในการภาวนาของเรา นี่ก็ค่อยๆค่อยๆนำจิตรู้ไปรู้สึกที่มือข้างขวานะขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วค่อยๆ ค, ค, ค่อยเคลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่ข้อขวา จากนั้นขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกก็ค่อยยกมือซ้ายขึ้นช้าๆเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วยกจิตมาไว้บริเวณใบหน้าของตนเองรู้สึกแนวอยู่ที่ใบหน้าผวกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิ นี่เรามาเรียนรู้สภาวะตรงนี้ว่าหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วเราอย่าพึ่งอยาเพึ่งขยับกายให้มันหยาบวางกายให้นิ่งอยู่ก่อนแล้วลองสังเกตดูว่าพอเราออกจากสมาธิแล้วกำลังของอุเบกขานั่นคือกระแสของความตั้งมั่นเป็นกำลังของความตั้งมั่นของจิตท่านต้องรู้ว่า ไอ้ความนิ่งความสงบความมั่นคงที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่เราเราออกมาจากลมหายใจออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยมันมีกําลังความตั้งมั่นอยู่นั่นแหะเขาเรียกว่าความตั้งมั่นแต่ถ้าเราสามารถนําความตั้งมั่นเหล่านี้อยู่ในจิตปกติได้ไปพิจารณาตายไปพิจารณาอย่างอื่นมันก็จะสามารถ ที่จะมีกำลังให้เราเห็นรู้ตามความเป็นจริงได้